ในยุคหลังจึงเสื่อมเพราะไม่ปฏิบัติไปตามอปริหานิยธรรมธรรมที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมซึ่งพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ประการแก่ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงทำไว้ในใจให้ดีเราตถาคตจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพร้อมแล้วพระเจ้าข้า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 ไอ้นี้ชักไปไม่รอดแล้วนะนี้ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นภิกษุที่เป็นพระวินัยทอนก็จะไปทําสีมาให้ตรงทำอุโบสถบวรณาเป็นต้นส่งพิกษุผู้นับเนื่องหรือผู้ที่ปฏิบัติในอริยะวงไปในที่นั้นๆคือส่งพระพิสุปฏิบัติดีเนี่ยนะเรียกว่าส่งน้ําดีไปล้างน้ําเสียนะก็เหล่าพิสุมิจฉาชีพนาเ น, น่นก็คือส่งไปพวกพิสุเหล่านั้นก็จะจากไปนะให้ท่านเหล่านั้นกล่าวอริยะวงข้อปฏิบัติ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 พระภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมไม่มีการประชุมร่วมกันเมื่อไม่มีการประชุมร่วมกันเนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะก็ไม่สามารถชำระสะสางดูแลความเรียบร้อยอะไรได้เลยข้อต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายจักยังพร้อมเพียงกันประชมุมจักพร้อมเพียงกันเลิกประชมุมจักพร้อมเพียงกันทํากิจที่สงพึงทําตลอดการเพียงไร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 บัดนี้ได้เวลาปฏิบัติพระเจดีปฏิบัติลานโพหรือรงมช่วยกันมุงรงอุโบสถ ด, ดูแลซ่อมแซมพระวิหารเป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าไม่สามาัคคีกันก็จะหลีกเลี่ยงว่าผมเนี่ยมีกิจผมต้องทําจีวนเนี่ยนะอ้างผมต้องสมบัติผมต้องก่อสร้างเพราะฉะนั้นผมไม่พร้อมเพียงผมไม่พร้อมนะต่างคนก็ต่างไปเพราะฉะนั้นถ้าต่างคนต่างไปเนี่ยนะน่าสงสารที่สุดใครวะจะเอาวาดัด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 ไม่สนใจอะไรไม่บอกไม่พูดว่าจงไปบริเวณนี้จงไปบริเวณนั้นแล้วก็ไม่มีการกระทาวัดอะไรสักอย่างไม่มีการวัดลุกรับเชื้อเชิญอะไรไม่ทาเลยเนี่ยนะเออท่านมากพเรื่องของท่านไม่เห็นเกี่ยวกับผมเนี่ยนะผมก็ไปตามทางของผมผมก็อยู่ของผมกิผมไม่ว่างเหมืนันนั่นจะไปไหนก็ไปแต่ถ้าอย่างงี้ก็อนาคตศาสนาย่าแย่แ น, น่หรือบางทีพบภิกษุผู้มีบาศมีจีวรเก่า นนะก็ไม่ช่วยการแสวงหาก็คือไม่มีการเอือ้อเฟื้อไม่มีการส่งเคราะห์กันเลยแต่ถ้าหากว่าพ่อพระภิกษุอคันตุกะทั้งหลายก็มีการต้อนรับ น, นะมีการประพฤติวัดปฏิสันถาร์ภิกษุผู้มีบาตเก่าจีวรเก่าก็ช่วยแสวงหาด้วยพิกขาจารีวัตรเพื่อภิกษุนั้นหรือท่านไม่สบายก็ช่วยแสวงหาย า, ยาแก่ภิกษุไข้นันะแล้วก็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 พวกนเรียกว่าบัญญัติข้อที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติเหมือนภิกษุเมืองสาวัตถีเรื่องหล่อสัมทัศเป็นต้นเพราะะฉนั้นพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ไม่ได้แนะนําไม่ได้สั่งไม่ได้อะไรเนี่ยนะท่านก็ไปทําแบบภารกาจทําขึ้นเองอะไรขึ้นเองเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าบัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติและภิกษุที่แสดงคําสอนนอกธรรมนอกวินัยก็เรียกว่าถอดถอนข้อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้ว ก็คือสั่งสอนไม่ได้สั่งสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนเลยสอนรูสอ น, สอนคําสอนของตัวเองออกมาบัญญัติรัฐที่ขึ้นมาใหม่ๆบัญญัติทิฏฐิขึ้นมาใหม่ๆบัญญัติทฤษฎีขึ้นมาใหม่ๆแนะนําทางเลือกเส้นทางใหม่ๆอันนี้เรียกว่าถอดถอดข้อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วเช่นภิกษุวัดชีบุตรชาวเมืองภัยสาลีเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานในร้อยปีเขาบัญญตัติหัวข้อใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยนะ สิบหัวข้อหลักเป็นเหตุให้เกิดสังคายาาครั้งที่ที่สองนะสังคยนณาครั้งที่สองตอนาศาสนาหนึ่งปีเนี่ยนะ